ดังเสียงไหมฟังทำกันเด้อหงต่อเป็นผู้พูดต้นทักหลังให้เป็นผู้ฟังฟังแล้วไปทำไม่ฟังแล้วจำเอาเหมือนเพลงน้องเพลงนิยาย อะไรต่างๆไม่ใช่แบบนั้นฟังแล้วไปทำบอกให้ทำต้องทำด้วยตนเองไม่ใช่บอกแล้วไปบอกคนเงินต่อไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> มนาัดอ่านหนังสือเขียนหนังสือต้องจบ ประมุตปากาด้วยฉ อ, อมาเขียมาเขียนตาดูกระดานมือขีเขียนหให้มันเป็นเขียนให้เป็นต้องทำด้วยตนเองจะละความชั่วก็ละด้วยตัวเองจะทำความดีก็ทำด้วยตัวเอง ให้ตัวเองทำความดีให้ตัวเองแล้วความชั่วมันจะทำเป็นสอนให้ทำทำให้เป็นไม่ใช่สอนให้รู้อะไรที่เราทำเป็นมันจึงเป็นเรื่องของเราเราไปไหนก็ได้เราทำอะไรก็เป็นแล้วทำงานก็ได้ทำอะไรก็ได้ ตลอดทั้งความคิดคิดก็ออกคิดตัวเองสองห้าเป็นเท่าไรแล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็นสากลเหมือนกันหมดสองห้าก็เป็นชิบสองห้าเป็นสิบสอ ง, สองไม่ใช่ไม่ถูก ทำแล้ามันถูกสิ่งที่มันถูกมันมีสิ่งที่มันผิดมันมีในชีวิตของเราก็เช่นกันสิ่งที่ผิดแล้วก็มีสิ่งที่ถูกมันก็มีเช่นเราหมาเจริญสติทำเอาเองประกอบเองสติมันจะมีเพราะการประกอบ ว่าจะท่องจำเอาเคยท่องจำได้ตั้งแต่ปวดเป็นเนนสอบทักทำได้ทํามีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความลเลือกได้สองสอบปัญญาความรู้ตัวมันเป็นการจำไม่เวลาคำถามว่าตอบได้เพราะมันจำมา แต่ไม่ค่อยมีสติยังโกรธยังโลภยังหลงยังทุกข์ยังทำผิดทำพาดดีใจเสียใจอยู่จนถึงอายุเกือบสามสิบปีมาพบกลมหลวงพ่อเทียนต่วงพ่อเทียนสอนให้มีสติให้ทำสติให้เคลื่อนไหวให้รู้สึกที่กาย นีว่ากา ย, ายนัปัญนาตามหลักคงสอนพระพุทธเจ้าเราจึงมาประกอบเราก็มีกายเราก็มีสติเอามาต่อกันเอากายไปจุ่มเอาสติเอาใจไปจุ่มเอาสติให้กายมาันรู้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปเกี่ยวกับใจพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกายก่อนกา ย, ายนุปัญนาสติปัญญา มีจิตเห็นกายมันเป็นการเห็นมันพบเห็นไม่ใช่รู้เห็นไม่ใช่คิดเห็นมือมันวางอยู่วนเขาเห็นมือตาในปีกมือขึ้นเห็นมันรู้มันเป็นปัจจัตตังเป็นของผู้รู้เอง ไม่ต้องถามใครมืออยู่ที่ไหนพกอยังไงยกยังไงวางหลงยังไงเคลื่อนไหวไปมายัางไงให้เห็นให้ดูให้เห็ น, ใ ห, ใ, หหนให้รู้รู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นเรียว่าจึงหัดให้เห็นมันรู้ให้มันรู้อยู่เสมอรู้กับกยู่เสมอมันนานลองดูมันจะหลง ขณะที่มันมีสติรู้อยู่มันก็ยังเกิดความหลงได้เวลามันหลงเปลี่ยนความหลความรู้เปลี่ยนเอาเองหลงก็หลงเองแล้วรู้ก็รู้เองอย่างนี้จวดธรรมพระธรรมพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะผู้ศึกษาจะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ต่ที่เปิดได้ให้ผลได้ไหมจำกัดการมาดูมาดูมันหลงไม่จริงมันรู้จริงกลัวความหลงไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวถูกต้องเปลี่ยนเราเองด้วยสติด้วยปัญญาหมายเป็นปัญญาตั้งแต่ที่แรก ให้มีคําถามเวลามันหลงเวลามันรู้มันต่างกัน่ะแล้วก็เลือกได้เรียกปัญญาแล้วด้จากเลือกเปลี่ยนความหลงไปความรู้เปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไปไมันจะไปเรื่อยๆไปตั้งต้นจากปัญญาอะไรละ่ะถ้าจะพูดถึงองค์มรรคก็เป็นสัมมาทิฏฐิไปเลย ไม่ต้องไปรูปความมันฉีนนั้นสมาธิมันเป็นขั้นสุดท้ายมันต้องปัญญามากอดมีสติมีปัญญามันเห็นอนเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติคือทำปลมร่ายให้เป็นความดีอะไรเชื่อมนไม่ดีให้มันดีให้มันรู้ ใอ้กายไปจุ่มเอาความรู้ให้ใจไปต่อเอาความรู้ให้มันได้รับอันดีๆเรื่องปฏิบัติธรรมอันดีคือความรู้จุตัวเนี่ยเป็นแม่เป็นแม่ของกษษุศลเป็นแม่ของความดีถ้ามีดีตั้งต้นตรงนี้มันก็ดีไปอีกแต่พื่อเพือจนถึงมรรคถึงผลนิพพานเลย ไม่ใช่ความดีที่ได้ดีวัตถุจึงของไม่เป็นคุณธรรมเป็นอริซัพย์เป็นทรับภายในอันความดีที่เราได้จากวัตถุจึงของเป็นทรับภายในน้องอกไม่มีใครเป็นเจ้าของได้โศนเสียได้อันทับภายในคือความดีที่เป็น กุศลเนี่ยมันไม่มีใครมาปนไหยขี้ไม่เสื่อมไม่เสียตกน้าไม่ไหลตกไปไม่ไหมนี่อาเลียพย์อย่าจนเดี๋ยวนี้เราจนความดีอันนี้มันหลงจนแล้วมันทุกจนแล้วมันโกจนแล้วถ้าไม่หลงมันจะไม่จนคนโกดคนทุกคนโลภคนหลงคนวิตกคนสมองคือคนจนทรัพย์ภายใน แล้วก็ไม่ใช่วาจะหายากมีมนุษย์สมบัติมีกายทำดีได้แล้วความชั่วได้แม้วัตถุจิงของมันก็ทำดีบ้านมันสปกปรกเราขวดมันก็ดีกว่าเกา่าเสื้อผ้ามันสปกปรกเราซักมันก็ดีกว่าเกา่า <c> ร <oughs> ่างมือมือสปกปรกมันก็มือก็ดีกว่าเกา่า ันมันจตกตกแปลงันมันก็ดีกว่าเก่านี่ว่าปฏิบัติธรรมเคยทำให้มันดีดีทางวัตถุดีทางนมามธรรมไม่ต้องไปรอไม่มีเวลาการทำดีแบบนี้ไม่เหมือนการทำดีอืนอ่นๆต้องมีเวลา ไม่มีสิ่งเวดล้อมอะไรเกี่ยวข้องเช่นทำนาทำไรต้องมีผลถ้าดูทำนาทำไร่แล้วก็หวดแล้วดูหมดโอกาสตารด <c oughs> ้วยทำดีด้วยกายการอาเรียสพบเนี่ยไม่มีการเวลาอากาลฤทิธรรมไม่ประกอบด้วยการเวลามันหลงเวลาใดรู้ได้เวลานั้นอย่าปล่อยทิ้ง มันโกรธเวลาใดเปลี่ยนไม่โกรธเวลานั้นมันทุกข์เวลาใดเปลี่ยนไม่ทุกข์เวลานั้นอย่าปล่อยที่งไว้ถ้าปล่อยที่งไว้มันมันเป็นเจ้าเรือนมันเป็นเจ้าของเป็นจริตเป็นนิสัยราคาจริตอะไรก็ออกหน้าราค า, ถ, าถ้ายอทายอนไว้ตุยจบกี่ไม่เป็น ไม่ดูจากอิมไม่ดูจากพอทุสะจริดความโกรธออกหน้าโมหะจรลิตความหลงออกหน้าอะไรเความหลงออกหน้าชีวิตไหลผ่านมาถึงวันนี้ดูดีๆความหลงกับความรู้อะไรมันมากกว่ากัน ชั่วโมงหนึ่งมันหลงกี่ครัง้งโดยเราจะต้องเห็นมันเราสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะวินาทีละจังหวะวินาทีละครัง้งสิบสี่ครั้งมันหลงกี่ครัง้งมันรูกติดต่อกันไหมลองดูมันจะเห็นเห็นเงื่อนไขจะได้เปลี่ยนเวลามันหลงเป็นรูปทันทีเปลี่ยนหลงเป็นรูปทันที มันจึงจะทันถ้ามันหลงเราไม่เปลี่ยนมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นหลงตลอดพบตลอดชาติโกรธตลอดพบตลอดชาติทุกตลอดพบตลอดชาติทำไม่จงเป็นอย่างนั้นทั้งทั้งนี่มันไม่ดีหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายควร Higher, คที่จะมีความหลงเป็นขั้งสุดท้ายควรที่ Higher, มีความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายควรจะมีความโกรธเป็นขั้นสุดท้าย นันมีขั้งสุดท้ายมันจบได้มันจบเป็นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีนอนเนืองกับศรัทธสิทธิของเรานี่หละอธรร ม, มาที่ปตัตยเวลามันโกรธเราไม่สิทธิไม่โกรธเคยทำไหมเคยใช้สิทธิไหมเวลามันหลงเราไม่สิทธิไม่หลงเคยใช่ไหม เรามันทุกข์เรามีสติไม่ทุกข์เคยใช่บ้างไหมบางทีเอาความทุกข์นอนเลืองอยู่ในชีวิตจิตใจของเราข้ามวันข้ามเกินความโกรธก็เป็นเจ้าของนอนอยู่กับเราให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามเกินไม่ใช่สติเรียกว่าปล่อยปละละเลยตัวเองน่าสงสาร เรามันหลงไม่สงสารตัวเองเป็นบาปเรามันโกรธไม่สงสารตัวเองเป็นบาปเรามันทุกข์ไม่สงสารตัวเองเป็นบาปปกติเองเป็นหลงไป่วยตัวเองโกรธป่วยตัวเองทุกข์นั่นหละบาปบาปคือทุกข์นั่นแหละเราไปกลัวอะไรบาปกลัวนรกตัวเมื่อตายเราหถ้าทุกข์เดี๋ยวเนี่ยมันก็มีนรกเป็นเบื้องหน้าแล้วนรกคือทุกข์นั่นแหะ ได้ไปเปลี่ยนเมื่อไรยอดหน้ามีไม่มีใครเห็นผู้นี่มีไม่มีใครเห็นเบอร์นีก็ไม่มีใครเห็นเราเห็นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันปัจจุปจันต์ปัจจุปตจจันจายันจะไม่ได้ปัจจุบันะปัจจุปจะไมา่เคยได้ปัจจุบันเท่านั้นเธอชีวิตจริง <c oughs> ของจริงคือปัจจุบันชั่วโมงนี้ทำดีได้ชั่วโมงนี้ละความชั่วได้เว น, นาทีเนี่ยสิบสีเวลาทีลูกเป็นของสิบสี่าทีสิบสี่จังหวะลูกไปจนถึ ง, ถ ง, ถงชั่วโมงหนึ่งวันเจ็ดวันนะถ่ะลูกอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบัดป่าโชกโตขอขอเป็นตัวละเรื่องนี้ ไม่เพื่อนไม่เมิต์นี่ที่ให้อยู่ไม่ข้าวให้กินนาศึกษารนนี่กันเถอะพวกเราอย่าปล่อยที่งเอาไว้เราต้องอาศัยอ น, นี่นะเวลานี้เรามีใจอาศัยใจได้ไหมหรือข่อมน้อยค่มดีผู้ผู้แพร่แพร่มันไม่ใช่เมื่อเราไม่มั่นใจตัวเองเราจะไปอาศัยใครที่ไหน เป็นปัญหาต่อโลกเขินข้าราวีกันทะเลาะวิวาทกันพ่อข้าลูกลูกาพ่อวันยาสามีข่ากันทำไมจึงเกิดอย่างนั้นขึ้นมาไม่น่าจะเกิดทุกคนก็แ ล, กล้วกขัวขัวทุกข์ล้วกชั่วขัวทุกข์ขัวบาปอยากได้บน แต่ไม่ที่ทำละบาปไม่รู้จะทําบุญบุญคือคือทำละความชั่วทําความดีเนะี่ยมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูเนี่ยคือทําบุญไปถ้ามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูรักษาศีลไปถ้ามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูหรือว่าทําจิตบริสุทธิ์ไปมันคบโผงจรไปเลยปฏิบัติธรรมนะ่ะพระเจ้ามันมีตำราอะไรเรียนมา เบื้องต้นเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตําลาเนี่ยเอาสติเป็นนักศึกษาเข้าไปลู่เข้าไปเฮ้ยมันเห็นให้ลู่ไปลู่ไ้จนเป็นพระพุทธเจ้าเหรียนจบมาทั้งสิบเกตสัดไม่เป็นพระเจ้าเลยเงื่อเหรียญอยู่ที่กายที่ใจของ ตัวเองแล้วมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นปัญญาได้เขียนออกมาเป็นพระไตรปิฎกแปดหมื่สี่พันเรื่องกิเลสพันห้าตัณหารอยแปดบุญไปทางนึ่งบาปไปทางหนึ่งนั่นคนละทางกันหยุด ชั่วหยุดทุกข์ยุดโกรธยุดรูปหุดหลงหยุดด้ยมีสิทธิเหมือนพระองค์ไปโปรดองค์คดีมานองค์คดีมานจับดาบไล่ฟันพระองค์อยู่องค์คดีมานเรียกให้หยุดหยุดหยุดพเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเลยหยุดอะไรยังวิ่งอยู่ หยุดทำความชั่วแล้วไม่ทำแล้วเธอยังไม่หยุดยังสือดาบไล่ฟันเราอยู่เราทำแต่ความดีเราจะมาช่วยท่านให้ท่านหยุดองค์รัมานได้ยินไม่เคยได้ยินใครพูดเลยจนทำชั่วม า, มาก เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจทันทีทิ้งดาบลงขณะที่เว่งอยู่ก้มลงให้เลยทีเดียวเฉื่ยใจไม่เคยได้ยินใครสอนนี่ละมัง้งที่เป็นศิทธะโอรสของพระสุตธนะออกววดเป็นพระเจ้าอาจจะเป็นองค์นี่ละมัง้งนานเหลือเกินเราไม่รู้เฉื่ยใจ ทิงดาบเข้าป่าเปลี่ยนนั่นทีเปลี่ยนไร่เปลีนดีทันทีเลยทีเดียวทำไมจ้องรอกันนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอมหมดประโยชน์ทันทีเปลี่ยนหลงเป็นรู้มันก็ดีไปแล้วต่อไปเมื่อไม่หลงก็ไม่โกรธมันก็ไม่ทุกข์มันยากอะไร รวมหลงมาได้ขี่ช่างขี่มามามันเกิด อ, อยู่ทางกายทางใจของเราตามหูตามโหล่ิน้นกายใจเมื่อมีสติมันก็สมรวมลงมามาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวมาอยู่ที่ใจมันหลงมันคิดมันนึกแล้วก็มีเท่านี้ไม่ใช่มีอะไรแม้จะมีอะไรมันก็อยู่กับเราไนงะ อยู่ในดงรูปรถกลิ่นเสียงมันเป็นเรื่องของเรา <c oughs> เรามีตาเราก็ดูเห็นไม่เป็น <c oughs> ต้องมีหูหูเราก็ฟังได้ยินไม่เป็นเราเนินทาเห็นได้ยินไม่หลง <c oughs> เราเริเเริญไม่หลงรู้ <c oughs> มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มันก็ได้ศึกษาไปเร <c oughs> ื่อยเดี๋ยวนี้เรามันหวนไหว ก็เน้นทางก็เสียใยห่อเหี่ยวเหนียวห่อคิดใจเขาเสียนเสือดีใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะทําไมเป็นอย่างนั้นเราจะอยู่ของเราเองเราจะมาทําให้เราผูพูแพร่แพไม่ได้ในโลกนี้จนหนที่สุด เนื้อการเกิดเจ็บเจบตายความเจ็บก็ไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์ไปเลยเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มีมันร้อนนี่มันหนาวมีแต่ไม่ทุกข์เพราความหนาวเพราะคมร้อนมันหิวก็มีรูปร่างร่างกายก็ร้อนหนยไม่ได้เป็นไปกับมัน เดี๋ยวนี้เราอะไรก็ชัดไปเลยเขาหิวไปไหนก็ได้ไม่เป็นสิทธิของเราเขาพูดให้เราทุกก็ได้เขาทำมาเราโกรธก็ได้เราเอาชีวิตไปโอยไปเขียไ้กับกวเดือดรึงหน้นหาเสียใจชีวิตของจะเป็นส่วนตัวชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไร แต่เรานี่เราสฉลิสิทธิ์เอาชีวิตไปห้อยไปเขียนไว้ต่ความละกความชางอกหักเสียใจมันไม่เป็นอย่างนั้นหน้าเพิก ม, มหัสตัวเองให้มันแม่นยำชัดเจนให้เป็นตาหิอตโนาโถพึ่งตัวเองให้ได้ เราจะอยู่ตรงไหนเราจะไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยเนี่ยปฏิวัตริธรรม <c oughs> ไม่ใช่เรื่องรูปคำเป็นพิธีรีตรงไม่ใช่แล้วก็ทำอะไรก็ถูกต้องมักจะดีไม่มีโทษเดาก็ไม่กินบุรีก็ไม่สู ไม่เบี่ยเบียนตนเองแล้วไม่เบี่ยเบียนคนอื่นชิงอื่นวัตถุอื่นแล้วมาได้คิดเฉยๆทาด้วยทาด้วยไม่ใช่คิดเฉยๆมีการก็บทำเกิดขึ้นพวกเราก็มีทั้าที่อยู่แล้วเป็นครอบเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้ามีเพื่อนมีมิตรมีงานมีการเอ้าไปทำให้มันดี เดี๋ยนี้เราทําอะไรก็มันมีอะไรที่ไม่ใช่บริสุทธิ์ถ้ามีการทาดีไม่มีใครไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องเราทําลองไปแล้วถ้าสิงที่เราทําไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดของเราเราทําดีที่สุดแล้ว ไม่ใช่ความผิดของเรา <c oughs> ยืนร้องต่ออยู่นี่เกือบสี่สิบปีสี่สิบปีแล้วเราจะพูดเอาตั้งแต่4ี่สิบกว่าปีแล้วมันก็ล่มเหลวละงานมันล่มเห ล, ลวรักษาป่าป่าก็หมดผู้เขาหงูล้วนหมดรัษาสัตว์สัตว์ก็หมดแต่ก่อนเข่งควงเต็มไปด้วยหมูป่า ช้างก็มีจนเรียกว่าวัดเอราวัณมีช้างนะ่าสีตัวอยู่เนี่ยหมดเอยป่าไม้ ก, ก็หมดเลยหมูป่าก็หมดสัตป่าตายหมดก็ไม่ิงตัวหน้าตัวตาเราก็มีไก่พยาลอไก่ผ้าพยาลอเป็นดาราที่นี่หมดเลย เราอยู่คนเดียวมันโชว์เดินโชว์ให้เราเห็นงามที่สุดเลยพย่าลอไอฟ้าดาลาของวัดป่าสุกโตไม่เหลือสักตัวเลยถ้ามันเหลือในใจประดับที่นี่มากทีเดียวเราจะได้มาชมความงามของธรรมาชาติกลิ่น ดอกไม้ใบไม้เสียงสัตว์ร้องแต่ละสัตว์บางประเภทมันแรงโซโปโนหลวงตาเรียกโซโปโนโซเ <c ười> ปโนฤดูฝ น, นรฤดูดนหนาวเลไลายแล้วงงปะรอยมีพระหนึง่งมาเยี่ยมเราอยู่คนเดียว อาถึงตอน่บยบยเย ล, ยลัยไล่งต้นล้อชื่นใจเไล่ต้นล้อดอกไม้บานต้นล้อกินสัตว์ล้งต้นล้อ บ, บางคืนไม่รู้จะฟังเสียงอะไรมันก็หมดไปแล้วเดีือแต่งงงจงหลัง <c ười> กับยุง ยุงยังไม่หมดแมงวันก็ไม่หมดแต่ของดีๆหมดไปแล้วของไม่ดีเกิดขึ้นมาลำบะทาวน้ใสายน้ำลึกเป็นเพียงขอยังเห็นตัวกุ้งตัวปลานอนอยู่ตามก้นลำบะเทานึกว่าน้าตื่นๆเราไปถธาบาทมา ว่าจะจับกุ้งมาปล่อยสอที่ไหนได้กระโดดลงไปน้าน้มันตื้นเราเห็นน้มใสเนื้อมันตื้ น, นแท้ๆมันเลืกอกเดี๋ยวนี้เป็นไงอเอป่าไม้ร้องไห้แม่น้าล่มป่วยแป่ น, นินเกิดตรมภาตอากาศเป็นพิษหัวมันเท่าหัวแ ม, ม่เมอเนี่ย แต่ก่อนหัวหมันเท่าเนี่เท่าขาเสื่อมหมดไม่ใช่ความผิดของเรางานล่มเหลวแต่เราไม่ล่มเหลวเหลไม่ใช่ทำให้มันเสียหายคนอื่นทำไปห้างเขาเขายิงปืนข้าหัวไปไม่ขาดเป็นผุยเลยไม่ใช่ความผิดของเราเราก็ไม่เสียใจเลยเวลาเน่ก็ยังทำอยู่ งานครั้งสุดท้ายช่วยธรรมชาติรักษาป่ารักษานา้าเดินธรรมญาตาิตาตอนนี้จะเริ่ต้นจากชายภูมิเดินขึ้นถึงหลังมานะสุดลงกว่าเท้าป่ามหาวันอะไรหกเจ็ดวัน8ปดวันล้วก็ทำอยู่ <c oughs> ไม่ใช่เราไม่ทำเน้นไปหมด ไม่คีไปหมดเลยฮะตาจะไปนะเดี๋ยวนะ้ในพูดจบก็จะไปเลยชวนหลวงพ่อกรมไปไปเดินปฐมในเทศักหน่อยไก้วอกไ้เพียนให้ไหมให้หลวงพ่อกรมจบเปก่คนเท่าเดินใครจะขับรถให้หรอไปฉันชาวที่นั่น เด๋นวันเดียวเท่านี้ไะฉันเพลแล้วก็กลับมาไม่นอนหรอกคนเยอะไปดูเมื่อวานเนี่ยมาจากกรุงเทพขอนแก่นมาเป็นโรงเรียนเลยแต่งไปหมดเลยแต่ว่าอยากไปนิเทศสักหน่อยเราก็มีสติปัญญาพอสมควรนะไม่ใช่หลงหัวนะ ต่เห็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากจะบอกเพราะเราก็ถือว่าเป็ น, นต้นโตของของงานนี่เป็นเหตุนี่ก็มีผู้โดนดำเนินการคือจาน์บสารยิ่งใหญ่มากแต่ก็ยังช่วยกันเราจึงมีอยู่ไม่ใช่เราล่มเร็วไม่ใช่เรากางังวลเป็น การทําแบบบริสุทธุดใจเราบอกแล้วน่าแม่ป่าไม้รองให้แม่น้ำรองป่วยเป็นดินอมอากาศเป็นพิษเดี๋ยวนี้ไปดูน้ำดยกุ้งโตโตไม่มย์ปาก็ไม่มีอะไรอยู่ที่ในน้ำมีหนอนสืบสายน้ำ ไปพิสูจน์กันได้เรามาเทาเอาตะแกงตักเพียงบริเวณตะลางสอกเี่ยได้ว่าแหลงขึ้นมามีอะไรมาแหลงนอนไม่ใช่สัตว์กินได้ทําไมมีหนอนน้า ม, มันเน่าหน้า ม, มันตายใบหลอกใ ห, ให้แม่น้ําลมป่วยมันตายเหมือนคนตายก็เกิดหนอนเกิดเหม็นขึ้นมา ใช่ไม่ได้เราเพราะนั้นจึงจึงทำแบบนี้โลกก็ร้อนเพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยทั่วโลกโถทะเลมหาสมุทรเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจินามิคนล่วมคนตายไปมันธรรมชาติมันเพี่ยนไป น, นก็ทบกระเทิร์มาโทวโล่ควมร้อนสูงขึ้นพืชเกษตะโก้พืชการเกษต ร, รลดลงต่อไปอาหารจะขาดแคลนโลกระวังนะอ่า้งินน้อยรองบางประเทศปลูกอ้อยไม่ได้อ้อยราคาสูงขึ้นมันก็ราคาสูงขึ้นแต่ต่อไปเม็ดข้าวเม็ดนึ่งจะเม็ดละล้อยบาทจะมีเงินซื้อไหม ใครเป็นคนผิดอาหารอาหารได้มาจากไหนมีแต่สารเคมีแผ่นดินเหยียบไม่ได้แม้นั่งก็อาบไป ไ, ได้ไปทางไหนต้องเอาน้ำไปกินน้ําก็น้ํากัน น, กน้ํากวดขวดนึงแพงโขล ก, กน้ำมันไปอีกอะแอบว่าอะไรฉีบแบบว่าแบบอะไรมันเกิดจากใครอะมันเกิดจากมนุษย์เนี่ย เกิดจากคนเราเนี่ยเราจะไปสอนใครก็สอนผีสางเทวดาที่ไหนเป็นเรื่องของคนเราเนีเอาจารย์ทรงเเขียนไว้ลงทานป่าดีดินดีน้ําดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เราที่มหมาตัวเราเนี่ยคนนี้น้องเติมเจ้าตัวขวงดีก็อยู่ที่เราเราจะลูกไม่หลงเราจะทําบุดี เราจะละความชั่วคิดของเราจะให้บริสุทธิ์ไม่ให้ปเปื้อนเรือดใดสละออกมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธสละความโกรธออกก็ันสละความชั่วความไม่ดีออกจากกาเ ก, ก่หรือว่าทำบุญด้วยวาทานลไมศีลละไมทานละไมจาคะสละออกอย่าเก็บไว้มันโกรธบางคนชอเก็บไว้ไม่ลืม ถาโกรธได้โกรธตายก็ไม่เลื่อมนอนมันบ้าขนาดนั้นมนุษย์ <c oughs> จําไหมนอนก็ไม่หลับเออนอนเวลานอนก็ไม่ค่อยนอนหาเรื่องมาคิดนี่ไหมคิดจะนอนไม่หลับมีไหมคิดเรื่อน่นคิดเรื่องนี่ไปก็ไม่เลืมก็ไม่เลืมว่ะถ้วโกรธล้วกรธไดโกรธเราไม่เลืมไม่เลืม่ม ก็ต้องดาาง่ามันตรงฆ่ามันขนานั้นนะทำชั่วเพราะความชั่วพระเจ้าเห็นความชั่วเป็นความดีเป็นปัญญาปัญญาเกิดจากความชั่วเนี่ยปัญญาเกิดจากปัญหาไม่ใช่ปัญญาเกิดจากเทพประบุเทพธิดาที่ไหนเกิดจากปัญหาเห็นทุกข์แท้ๆพรเจ้า เป็นนิปานเห็นทุกข์เป็นเนพานบุธิชนเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเป็นทุกข์ขุเช้าเอาเป็นนิปานหรักเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์เมื่อนั้นยอมเหน่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระเพพานเราสาธยายพระสูตร์ เมื่อใดบุคคเห็นด้วยปัญญาว่าสังขางรเป็นทุกข์เมื่อนันยอน่อมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระพนาพนอาจเป็นทำหมดจดต้องตรงนี้แ น, น่นอนเจอกันเลยทีเดียวตาทถตาเราสร้างความโูภเกิดความหลงขึ้นมานั่นแหละเห็นแล้วโอชัยต้องไม่ใช่ถงไม่ต้องไปถามใครเอาหลงหรือเปล่า ไม่ต้องไปถามใครหลงเองแล้วก็เปลี่ยนรู้เองเมื่อเรารู้สึกตัวเราความหลงหมดไปไหมไม่ต้องไปถามใครเป็นปัจจัตังนี่ของกิ่งของกิงให้เป็นคนทําลอกไปคนทำนี่เป็นปัญญาไปตื่นตื่นเห็นมันหลงโอ้เห็นเหงูเห็นมันทุกข์ก็มาเห็นงูเห็น เห็นไม่เป็นไม่รู really? ้จะพูดอะไรเห็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอลไรเราจะไม่เป็นอะไรกับอะไรที่มันเกิดกับความกับใจเรานเราเห็นแล้วมันหลงก็เห็นมันละไม่เป็นผู้หลงวันโกรธเห็นมันถ้ามันยังมีความโกรธอยู่ ไม่เป็นผู้กดมันทุกข์เห็นมันไม่เป็นผู้ทุกข์มันเจ็บเห็นมันมันหนาวเห็นมันมันหิวเห็นมันไม่เป็นบางทีก็ได้ปัญญาได้ขอบคุณมันหนาวก็ตีมันเป็นอาการธรรมชาติของเขาถ้ากายพระรูปถ้าหนาวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่กายถ้าหิวไม่เป็นก็ไม่ใช่กาย ไม่เช่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นมันด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นไปอย่างนี้เห็นหลงเป็นหลงเป็นรูปเห็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นรูปเห็นโกรธเป็นโกรธเป็นรูปเวลาเรามีสติมาเห็นมันจะมาเข้าแถวให้เราดูหมืนแหล่งการศึกษาเงมนตลาดนัดตองสินค้าเราเลือกได้นาเป็นแถว บางทีก็มีนิสัยเม่เปิดเพื่อนไรมาคิ้วทองเราเนะนี่ยนิสัยไลยมามันเคยกินนะ่ะเหมือนรถมือสองใช่มามากใช่มามากมันก็ย่อหนอมสแสดงออกถ้าหลงมามากก็สแสดงความหลงสนุกมันหลงก็สนุกเปลี่ยนรู้มันหลงเป็นรูปสนุกสนุกเป็นของกิ่ง มันทุกเป็นรู้ใช่ตรงนี้กันป่ามัเป็นกอบกันกรรมขึ้นมาต่อหน้าต่อ ต, อตอทาทำได้ไม่เหมือนการทำอันอื่นการทำาบื่ต้องเสี่ยงมีการเวลามีสิ่งเว็นร่มเขี่ยข้องปลูกเข้าต้องอาศัยน้าฝนถ้าไม่มีน้าฝนแห้งแล้งก็เข้าไม่ได้หรือบางทีมันท่วมก็ไม่ได้ แต่การปฏิบัติธรรมไม่มีแรงไม่มีท่วมเปลี่ยนได้ทันทีเลยมันหลงรู้ได้เป็นหลงเป็นรู้มันทุกข์รู้ได้ทันทีเดี๋ยวนี้ปัะ จ, จักตังเดี๋ยวนี้ทำเองเดี๋ยวนี้จะไปอ้อนวอนที่ไหนศาสานี่ไม่ใศาสนาอ้อนวอนโขทำเอาเอง เดี๋ยวนี้ก็พากันอ้อนวอนมากสามีนี่เอาแต่ว่าทุกวันนี้เอาแต่ว่าว่ายเจ่งอาบเก่งว่าบอกให้ประพฤติ ธ, ธรรมเรากำหูมามาปฏิบัติธรรมนะเอายากที่แล้วไม่เอออะไรไปยากอยู่ไหนก็ทําได้นะอย่ไหนก็ทําได้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเบาทํามความดี ปวดบ้านก็รู้สึกตัวไปซักผ้ารู้สึกตัวไปตำน้ำพริกก็รู้สึกตัวไปหั่นผักรู้สึกตัวไปอาบน้ำรู้สึกตัวไปกินันรู้สึกตัวไปไปทางานทำการรู้สึกตัวไปไม่มีใครนอนอยู่พู้จ้าให้นอนอยู่ให้ไปเมื่อพระ อ, องค์สอนปัญจวีคีแล้ว <c oughs> ได้วรรลุทำแล้วองค์ก็บอกท่านดีไปไปประกาศธรรมจันเพื่อประโยชน์เพื่อเกือกูเพื่อความสุขของมหาชนงูมากไปคนละทางอย่าไปทางเดียวกันเรามีน้อยอย่าอยู่ไปวันอีกสองวันจรย์ลัวถิ่นก็จะไปเชียงใหม่ สองตาก็จะไปมั่งซะอ่ะจะไปทิ้งไว้นี่วัดโชกโต้เนาะอ่ะาไปคอนโ จ, ะ <c oughs> จระทะิกาเวจระทะิกาเวจาริการภูมชนะหิตายะภูมิชนะสุขายะโลกานุกรรมป่ายะเป็นคำสั่งกุฎเจ้า ไม่มีใครนอนอยู่หรอกนอนต่อยังไม่ยอมแข่เลยเ <c ười> คนก็ไม่อยากให้ไปก็หมูไม่อยากให้ไปเมืองกีนไปคขาวที่เล้วแนะ่มันหนาวมากเกือบตายไป <c ười> นอนอยู่นอนอยู่หายใจไม่ไม่เย็บมันแน่น นั่นอาบน้ะว่านั่นไปสู้หนาวไปเที่ยวเขาพาไปดูสังฆปรเนยกองที่หนึ่งที่หกตังก้งแต่โหที่ทำอาจารย์ตั้งหม้อสังฆปรเนยกองที่หนึ่งจนถึงว้หล่าง แล้วก็มาเขียนภาพในไวนะ้มาปั้นภาพไว้ขี่เสือองค์ที่หนึ่งขีเสื อ, อโพที่ทำสังขารปนิยกองค์ที่หนึง่งมาทําเป็นคนขี่เสือไว้อาจารย์ต่างเม้าชื่อหนึง่งชื่อหนึง่งเรียกว่าโพที่ทำแต่ไมจึงขี่เสือชนะกิเลกกิเลสบรรลายอน มีปากสิหกปากชีวิตเราต้องรับใช้มันพอชนะมรารก็ขี่คอมันเลยหมดพยศรอยลูกนขนชี่เสือเราะนั้นลอยไปยอมมาทำาต่ดถึงไว้หลางได้หลางองค์ที่หกเป็นสังฆาุญโยคองค์ที่หกเพราะ ก็คำพูดน้อยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรองค์ที่หนึ่งแข่งขันกันแสงกันระหว่างองค์ที่หกมีคนแข่งขันกันเขียนโศกขึ้นมาจะมวบสังฆราดไทยใช่ไหม่จอมไม่รู้นะแข่งกันกันเขียนโศกก็ไม่ได้ เขาไม่ได้ทำมาเื่นสมัยก่อนเอาสติปัญญาธรรมะบรรลุธรรมขนาดไหนได้หลังต่ำข้าวผ่าพื้นไม่ได้มาฟังธรรมเลยอยู่ในสำนักอนที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆเยอะแยะแต่เวลางไม่มีโอกาสมา ใีแต่ผ่าเพลินทำข้าวสู่หมูชิ้นเวลาเขียนโศกเขาค่อยแข่งขันกันมีคนเช่อคิดกับอาจารย์สังฆประนยกองที่ห้าเขียนขึ้นหน้ากระดานชีวิตเหมือนกระจกเงาวันเช็ดวันทูอยู่เสมอจะให้ฝนทุดด่เรามาก่อได้ แล้วไม่มีใครเขียนแสงเลยจนถึงวันที่เจ็ดไม่มีใครเขียนเวลางก็มาดูอุตสาห์าข้าวให้เสร็จแล้วก็หามหน้านมาดูอ่านหนังสือก็ไม่ออกมาดูมาให้เพื่อนอ่านให้ฟังก็เขียนว่างไงชีวิตเหมือนก็โจกเงา หมันเทศหวันถูอยู่เสมอใหญ่ผนทุลียมาเกาะได้ไวล่างเขีย น, นหนังสือให้เป็นได้บอกเพื่อนเขียนให้เขียนให้สักหน่อยได้ไหม้ะเขียนยังไงล่ะก็ให้เขีย น, ล เ, ยนเลยลองดูก็ได้เมื่อไม่มีกระจกเงาฝผนทุลีจะมาเกาะที่ใดเขียนขึ้นมาอยู่ข้างตาง่งกระดานชีวิตมันกระจกเงาหมันเทศหันถูอยู่เสมอใหญ่ผนทุเีมาเกาะได้ เปหลังเขียนเมื่อมีเมื่อไม่มีกระจกคุณจะมาก่อที่ได้เออชวนเพื่อนนี้ไปไปรี่อยู่ตำเข้าอาจอาร์องที่ห้ามาตรวจูดสองคนเขียนโศกอ่านดูองค์ที่หนึง่งอ่านดูองค์ที่สอง โดยธรรองค์เนี่ยอันเนี่ยใครเขียนไปเรียกคนมาที่ไคยคิดมาเออเนี่ยเมื่อไม่มีใครจกเงาคนที่ดีจะมาเก่อหน้าที่ได้ของใครสังขาวยกองที่ห้าทราบว่าเฮ้ยหล่าก็เลยไม่ปิดไม่พูดเลยปิดปากเลยติดปาก ก็เลยบอกให้คนไปเรียกไวยลางมาพบตั้งแต่ตีหนึ่งนะมานะแต่เช้าหมดไวยลางก็มามาก็มอบอัาฐาบริขาร่ายบอกไวยลงังนี้ออกจากวัดไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่าอยู่นี่ <laughs> ได้เป็นไงไปยกองที่หกของตาที่ไปดูนะไปดูภาพ อาจารย์เอาเราันก็หนาววันนั้นหนาว0ูนลหกของศสาหนาวมากก็มาละมาอาบหน้ามันก็ส บ, บ้านส บ, บัานแล้วก็นอนเขก็ปูนอนปูผ้าที่มีไฟฟ้าอุ่นอยู่แต่นอนไปมันก็หายใจไหมแป๊บเดียวมันก็หายแล้ว ไม่นานแ ว, ว่าจะไปหนาวอีกมันจะไหวไหมประเที่ยหนึ่งง้ mm hmm. กกะลจะไปเมืองกินอีกก็แจ้งมาว่าไม่หนาวหรอกประมาณสิบองศาให้เหมือนไปเชีงยงให้เชีงยงให้มันนู้ยอดเลยยังไม่ยอมแก จ, จะไปเดี๋ยวนี้นะคนหมูไปกินข้าวที่น่นนะได้ไหม แมีข้าวต้มไปด้วยก็ดีคงไม่ได้แนละ้วอ่ะก่าพะพ้องกัน